เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีเจตเมตตากราุณาฝ่ายบุญฝ่ายขุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551วันนี้มีนักเรียน จากโรงเรียนพัทยาอารุณโนไทยระดับมัธยมสามได้มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลมาปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ได้เรียนมาในโรงเรียนเมื่อได้เรียนแล้วก็ต้องออกนำเอามาปฏิบัติ เพื่อจะได้เกิดผลคือความสุขความเจริญต่อไปถ้าเรียนเฉยๆแล้วไม่นําเอามาปฏิบัติก็ยังจะไม่เกิดประโยชน์ยังไม่เกิดความสุขความเจริญตามมาเหมือนกับอาหารถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รับประทานวางไว้เฉยๆ อาหารก็ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายร่างกายก็จะไม่ได้รับความสุขความอิ่มน้นำสำราญเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปก็ต้องรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มไม่หิวไม่กระหายไม่โอดอยากขาดแคลน ฉันใดการศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ต้องนำเอามาปฏิบัติเพราะเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้เห็นผลไม่ได้รับผลที่จะเกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้าเราได้ทำแล้วเช่นวันนี้ เรามาทำบุญให้ทานเรามารักษาศีลเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาในใจของเราใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความเจริญขึ้นสูงขึ้นและฉลาดขึ้นนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการ ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีไว้เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราและพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์คือได้ร่างกายของมนุษย์นี้ยังไม่ได้หมายความว่า จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบจะเป็นคนสมบูรณ์แบบอาจจะเป็นลักษณะแบบครึ่งผีครึ่งคนก็ได้หรือครึ่งสัตว์ครึ่งคนครึ่งเดราชฉานครึ่งคนก็ได้ครึ่งตรงที่ตรงไหนคือร่างกายนี้เป็นร่างกายของคนของมนุษย์แต่ใจนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเปล่าเพราะการที่จะเป็นมนุษย์นั้นต้องมีคุณสมบัติอยู่ ห้าประการด้วยกันคือ 1. ต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดประเวณี 4. ไม่พูดปดมดเท็จโกหกหกลอกลวง 5. ไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขทั้งหลายนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ ถ้ายังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้ายังฆ่าสัตว์ยังรักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังพูดโกหม้เท็จยังเสพสุรายาเมาอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวเ<ม>ต็มร้อย<ม>การที่จะเป็นมนุษย์เต็มร้อยได้ต้องรักษาศีลทั้งห้าข้อนี้ให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกเวลานาที ทุกลมหายใจเข้าออกถ้ายัางรักษาไม่ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับนักเรียนที่เวลาสอบถ้าไม่สามารถทำข้อสอบได้ทุกข้อก็จะไม่ได้คะแนนเต็มจะไม่ได้ร้อยคะแนนอาจจะได้90 80ส0บดสบเจ็ดสิบ ก็ขึ้นอยู่กับว่าสามารถตอบคําถามสามารถทําข้อสอบทุกข้อสอบได้หรือไม่ฉันใดการที่จะเป็นมนุษย์คือได้เป็นมนุษย์ในปัจจุบันและได้เป็นมนุษย์ในลําดับต่อไปภายภาคหน้าคือเมื่อไปเกิดใหม่เพราะชีวิตของเราไม่ได้บีเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวเรามีชีวิต มามากมายหลายหลายแบบด้วยกันในอดีตและเราจะมีชีวิตใหม่ต่อไปแต่ชีวิตใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ที่คุณสมบัติที่เราได้รักษากันไว้ในปัจจุบันนี้ถ้าเรารักษาศีลห้าไม่ได้เราก็ต้องเสี่ยงกับการไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้าง ไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะนี่คือคุณสมบัติของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกคือไม่สามารถรักษาศีลห้าให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์หรืออย่างน้อยก็ไม่สามารถรักษาให้ได้สักครึ่งหนึ่งถ้าครึ่งหนึ่ง ก็ยังถือว่ามีโอกาสได้กลับมาเป็นมนุษย์อยู่50เอร์ซนต์ด้วยกันถ้าน้อยลงไปโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่ถ้าไม่มีศีลเลยก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในนรกบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างเพราะนี่คือหลักกรรม หลักของเหตุของผลคือการกระทำและผลที่เกิดจากการกระทำทำอะไรแล้วก็จะต้องมีผลตามมาเหมือนนักเรียนถ้าไปโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนไปเรียนหนังสืออยู่เรื่อยๆพอสิ้นปีสอบเสร็จได้คะแนนเกิน50สก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้ขึ้นไปสูงขึ้น ถ้าไม่ได้ห้าสิบก็ต้องอยู่ซ้ำชั้นต่อไปไม่ได้ขึ้นหรือดีไม่ดีอาจจะถูกลดชั้นลงไปเคยอยู่มสาอาจจะต้องกลับไปเรียนมสองใหม่ก่อนเพราะว่าเรียนมสามยังเรียนไม่ได้ต้องกลับไปเรียนมสองใหม่ก่อนนี่คือผลที่เกิดจากกรรมคือการกระทำ ถ้าตั้งใจเรียนแล้วจะได้คะแนนดีจะได้ขึ้นชั้นอย่างแน่นอนถ้าไม่ตั้งใจเรียนคอยหนีโรงเรียนไม่สนใจทํากัดบ้านไม่อ่านหนังสือไม่ฟังครูอาจารย์สั่งสอนเวลาอยู่อยู่ในห้องเรียนเวลาสอบก็ไม่ได้คะแนนดีและอาจจะได้คะแนน ไม่พอที่จะผ่านขึ้นชั้นไปก็ได้นี่คือเหตุคือการกระทำผลก็ต้องเป็นตามไปตามการกระทำของเราตั้งใจเรียนดีก็จะได้คะแนนดีได้ขึ้นชั้นไม่ตั้งใจเรียนก็จะไม่ได้คะแนนดีก็จะตกชั้นหรือจะไม่ได้ขึ้นชั้นนี่คือหลักของกรรมเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราทุกคนนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมด้วยกันเพราะเรามีการกระทำอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีจะทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ดิบได้ดีได้ความสุขความเจริญเราก็ต้องทำความดีถ้าเราคิดว่าเราไม่สนใจเรื่องการทำความดี เราก็ต้องพร้อมที่จะรับผลของการไม่ทำความดีคือพร้อมที่จะไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกบ้างพร้อมที่จะไปตกนรกเนี่ยเพราะนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ผลเป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุผลไม่ได้เป็นตัวเริ่มต้นไม่ได้มาจากความปรารถนาความต้องการเช่นเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ที่ดีกว่าเดิมที่เก่งกว่าเดิมที่ฉลาดกว่าเดิมแต่ถ้าเราไม่สนใจที่จะรักษาศีลห้าเราไม่สนใจที่จะทาบุญให้ทานไม่สนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนทั้งในทางโลกและในทางธรรมก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมได้ที่ฉลาดกว่าเดิมที่เก่งกว่าเดิมได้ เพราะไม่ได้สร้างเหตุไว้นั่นเองเหมือนกับถ้าอยากจะเรียนจบระดับมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือไปโรงเรียนอยู่เสมอทำการบ้านอยู่เสมอเวลาอยู่ในห้องเรียนก็ตั้งใจฟังครูฟังอาจารย์อย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่จะ ได้เรียนจบอย่างแน่นอนนี่เป็นหลักของกรรมกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้คือเหตุและผลเหตุคือการกระทาผลที่ก็คือผลที่ได้รับจากการกระทาเช่นได้เรียนจบชั้นต่างๆได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทพได้เกิดเป็นพรหมได้เกิดเป็นพระอริยเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตทุกอย่างนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำทั้งสิ้นนะดังนั้นไม่ว่าเราต้องการจะเป็นอะไรต้องการจะได้อะไรมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นที่จะหยิบยื่นให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้ทำเองสร้างเองขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำแต่ความดี ให้เราละความชั่วละบาปละกรรมและละความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องไปทําบาปทํากรรมนั่นเองนี่คือการกระทําหรือกฎแห่งกรรมกรรมแปลว่าการกระทําการกระทําก็มีอยู่สามทางด้วยกันทําทางกายเรียกว่ากายกรรม ทำทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมทำทางใจเรียกว่ามนโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ทำได้ทั้งดีและไม่ดีและกลางๆคือไม่ดีแต่ก็ไม่ร้ายมีอยู่สามแบบด้วยกันกรรมที่เป็นตัวเริ่มต้นก็คือมนโนกรรมคือ การกระทำทางใจหมายถึงความคิดต่างๆก่อนที่เราจะพูดอะไรได้ก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องคิดก่อนเช่นวันนี้เราคิดว่าจะมาวัดมาทำบุญกันแล้วเราก็ชวนกันมาอาจารย์ก็ประกาศทางวาจาหรือเขียนหนังสือ ทางกายด้วยด้วยลายมือถ้าพูดประกาศทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมถ้าเขียนเป็นประกาศก็เรียกว่ากายกรรมเป็นการกระทาทางกายและทางวาจาเมื่อทำแล้วผู้อื่นก็จะได้รับรู้และปฏิบัติตามเมื่อรู้แล้วเตรียมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอถึงเวลาก็ออกเดินทางมากันที่วัดนี่ก็เรียกว่าเป็นกายกรรมการเดินทางการนำร่างกายของเรามาที่วัดหิ้วข้าวหิ้วของต่างๆมาที่วัดเมื่อมาถึงวัดเราก็มาทำความดีหลายๆอย่างด้วยกันในเบื้องต้นเราก็ทำบูชาพระพุทธธรรมพร ะ, พระสง์ด้วยการจุดทูบเทียน และกราบไหว้เป็นการกระทำความดีอย่างหนึ่งเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเสร็จแล้วเราก็นำอาหารขาวหวานมาถวายพระเรียกว่าทานเป็นการให้ก็เป็นการทำความดีอีกชนิดหนึ่งหลังจากนั้นเช่นในขณะนี้เราก็ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าเห็นผิดเราก็จะคิดผิดพูดผิดทำผิดถ้าเราเห็นถูกเราก็จะคิดถูกพูดถูกทำถูกเช่นเราเห็นสุนัขว่าเป็นแมวเราก็คิดว่ามันเป็นแมวเราก็เลี้ยงมันแบบแมวเราก็จะทำแบบผิดๆเพราะแมวกับสุนัขนี่เลี้ยงดูไม่เหมือนกันหรืออย่างอื่นก็เช่นเดียวกัน เห็นไฟว่าไม่ร้อนอย่างนี้เป็นต้นถ้าเห็นว่าไฟไม่ร้อนเราก็ไม่กลัวไฟเราเห็นไฟเราก็จะเอามือไปจับมันพอไปจับมันไฟมันก็จะเผามือเราไหม้ได้เราก็จะต้องเจ็บปวดรวดร้าวเพราะความเห็นผิดนั่นเองแต่ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกตามความจริง เห็นว่าไฟนี่เป็นสิ่งที่ร้อนเราก็ไม่แตะต้องเราก็ปลอดภัยไม่ถูกไฟเผาเช่นเดียวกับบาปกรรมก็เป็นเหมือนกับไฟแต่เป็นไฟทางด้านจิตใจเวลาเราทำบาปทำกรรมแล้วใจของเราจะร้อนขึ้นมาใจจะวุ่นวายไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่รับมีความหวาดภวามีความหวาดกลัว นี่คือผลที่ตามมาจากการทำบาปแต่ถ้าเราเห็นว่าการทำบาปนี้ไม่เป็นอะไรไ ม, ไม่ร้อนไม่สำคัญทำได้พอเราทำไปแล้วผลก็เกิดขึ้นมาทำให้เราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจและถ้าเราตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอบายเราจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเราต้องไปใช้บาปใช้กรรมนั่นเองเหมือนกับคนที่ทำผิดกฎหมายเมื่อตำรวจจับได้ส่งขึ้นศาลศาลตัดสินให้จำคุกก็ต้องไปอยู่ในคุกในตารางพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้คนใครก็ช่วยไม่ได้มีเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราเองได้ด้วยการไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเอง ถ้ามีกฎมีระเบียบเขาห้ามไม่ให้เราทำถ้าเราไม่ทำโทษก็ไม่เกิดกับเราอาจารย์จะมาจับเราไปเคี่ยนไปตีไปลงโทษไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนแต่ถ้าเราทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอาจารย์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำโทษเราได้ถ้าเราทำผิดอย่างรุนแรงเขาก็จะไล่เราออกจากโรงเรียนได้ ไม่มีใครช่วยเราได้ตอนนั้นแต่เราช่วยเราได้ในขณะที่เรากำลังทำอะไรอยู่นี่แหละเวลาทำอะไรขอให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือเชื่อกฎเชื่อระเบียบเคารพกฎเคารพระเบียบอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องกฎระเบียบมีไว้อย่างไรให้เราปฏิบัติตามอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามแล้ว เราก็ปลอดภัยก็จะไม่มีโทษตามมาแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเราก็จะต้องถูกคุณครูนำจับไปลงโทษเช่นเดียวกับกฎระเบียบของชีวิตชีวิตเราก็มีกฎมีระเบียบเหมือนกันเช่นมีข้อห้ามอยู่ห้าข้อคือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดประเวณี ห้าพูดปดมดเท็ดห้ามเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเหล่านี้เป็นข้อห้ามถ้าเราไม่ละ เ, เมิดข้อห้ามเราก็ปลอดภัยเราก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบสามารถรับผลประโยชน์ของเป็นของการเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเราไปละเมิดเช่นเราไปฆ่าผู้อื่น เราก็ต้องถูกตำรวจจับไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางเราก็หมดสิทธิ์หมดอิสราภาพของการเป็นมนุษย์ไปเป็นเหมือนกับสัตว์ที่เขาจับขังไว้ในกรงเพราะถ้าปล่อยให้สัตว์ดุร้ายออกมาเพ่นพ่านนอกกรงก็จะต้องไปทำลายผู้ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองจะต้องไปกัดไปกินไปฆ่าผู้อื่น สังคมก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้สัตว์ ร, ร้ายหรือคนที่ดุร้ายเหมือนกับสัตว์ ร, ร้ายนี้อยู่นอกกรงได้ต้องจับขังไว้ในกรงเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมนุษย์มีอิสระภาพมีเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนได้จะทำอะไรก็ได้ เราก็ต้องทำในกรอบของกฎหมายและในกรอบของศีลธรรมเราต้องเคารพกฎหมายเราต้องเคารพศีลธรรมเมื่อเราเคารพแล้วเราปฏิบัติตามเราก็จะไม่มีปัญหาตามมาจะไม่ต้องถูกตํารวจจับไปลงโทษจับไปขังคุก เ, เมื่อตายไปก็จะไม่ต้องกลับไปเกิด ในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและ ถ, ถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเกา่านอกจากการรักษาศีลแล้วเราก็ต้องทำบุญให้ทานด้วยเพราะการทำบุญให้ทานนี้เป็นเหมือนกับนําเอาทรัพย์สินสมบัติเงินทอง ไปฝากไว้ในธนาคารของพพหน้าชาติหน้าพอเราไปเกิดใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เช่นเราจะได้ไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของมหาเศรษฐีลูกของคนรวยไม่ต้องไปเกิดเป็นลูกของขอทานหรือคนยากจนนี่เป็นอนิสง์ของการ ที่ได้ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆทำมากก็จะยิ่งจะรวยมากทำน้อยก็รวยน้อยนอกจากรวยแล้วยังมีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาที่สวยงามมีผิวพรรณผ่องใสด้วยนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการ <c oughs> ทำบุญให้ทานควบคู่กับการรักษาศีล และจะได้ไปสวรรค์ด้วยได้ไปเกิดเป็นเทพด้วยเมื่อหมดบุญจากเทพก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อกลับเป็นมนุษย์แล้วก็อย่าหลงละเริงกับความร่ำรวยอย่าหลงละเริงกับการได้เป็นมนุษย์เราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ของเราต่อไปด้วยการรักษาศีลให้ได้ตลอดเวลา และมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็อย่าหวงเก็บเอาไว้ให้นำเอามาทำบุญให้ทานเอามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกันเพราะจะทำให้เรารวยยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามขึ้นไปอีกร่ำรวยรูปร่างสวยงามร่ำรวยผิวพรรณ งใสนะแล้วถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดแล้วฉลาดกว่าเก่าเราก็ต้องมันศึกษาร่อมเรียนวิชาต่างๆถ้าเราเรียนวิชาทางโลกเราก็จะฉลาดทางโลกถ้าเราเรียนวิชาทางธรรมเราก็จะฉลาดทางธรรมวิชาทางธรรมนี้ถือว่าเป็นวิชาที่เหนือกว่าวิชาทางโลก เพราะวิชาทางโลกนั้นไม่สามารถทำจิตใจให้หายทุกข์ได้วิชาทางโลกเพียงแต่ทำให้เรามีความรู้ที่จะสามารถนำไปทำมาหากินหาเงินหาทองมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายแต่ไม่สามารถทำให้เราไม่ทุกข์ใจได้ มีวิชาทางธรรมเท่านั้นคือวิคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับเรื่องอะไรได้ไม่ทุกข์กับเรื่องการสูญเสียไม่ทุกข์กับการเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับการแก่อย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่มีวิชาทางธรรมแล้ว เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์วุ่นวายใจเวลาแก่ก็จะทุกข์วุ่นวายใจเวลาตายก็จะทุกข์วุ่นวายใจดังนั้นก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเรียนทั้งสองวิชาทั้งโลกก็ต้องเรียนเช่นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศสาสตร์วิชาประวัติศาสตร์วิชาต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยเราในการทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้เราตั้งอยู่ในสัมมาชีพได้แต่เรายังต้องเลี้ยงวิชาทางธรรมด้วยเช่นวันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะได้วิชาที่จะรักษาชีวิตจิตใจของเราไม่ให้ตกต่ําไม่ให้เสื่อมลงไปไม่ให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ให้ไปตกนรก ให้รักษาชีวิตของเราอย่างน้อยก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และดีกว่าเดิมและถ้ามากกว่านั้นก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้เป็นเทพเป็นพรหมและได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากวิชาทางธรรม คือศีลธรรมความดีงามทั้งหลายเช่นการคิดดีพูดดีทำดีนี่เป็นการเป็นเหตุที่จะให้ผลดีกับชีวิตจิตใจของเราชีวิตของเราจะเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นคนก็เป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่คนเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญ ไม่มีคนตำหนิติเตียนว่ากล่าวดุดาเพราะทำดีเสมอพูดดีเสมอนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการศึกษาทางธรรมะวิชาทางธรรมเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจกับการศึกษาทั้งสองด้านคือทางโลกเราก็ต้องศึกษา พอเราต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทางธรรมเราก็ต้องศึกษาเพื่อรักษาชีวิตจิตใจของเราให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ให้ชีวิตของเราตกต่ำไม่ให้เสื่อมถอยลงไปไม่ให้ความทุกข์เข้ามารุมเล้าจิตใจของเรานี่คือเรื่องของชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ เราจึงต้องไปทั้งวัดไปทั้งโรงเรียนโรงเรียนเราก็ต้องไปเรียนวิชาทางโรควัดเราก็ต้องมาเรียนวิชาทางธรรมเพราะเราต้องมีวิชาทั้งสองชนิดนี้ในการที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขและความเจริญมีแต่ความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ดังนั้นการที่ครูอาจารย์ได้พานักเรียนมาวัดเพื่อมาปฏิบัติกิจทางมศาสนาตามที่ได้ศึกษาร่มเรียนมาจึงเป็นการกระทําที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเพราะจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญจึงขอให้พยายามทํากันบ่อยๆทํากันให้มาก ถึงแม้ไม่มีครูอาจารย์พามามาเองก็ได้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาก็ได้แล้วเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นได้ได้ความสุขมากยิ่งขึ้นเราจะได้พบชาติที่ดีมากกว่าเก่าอย่างแน่นอนหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วจึงขอฝากเรื่องของการศึกษาพระธรรมคำสอน